มาเข้าเนติปรกรณ์นะเนติหมายคําว่าคมภีเนตินะคมภีที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานนี่แหะเนตินี่แบ่งออกเป็นอะไรบ้างเป็นหาระเป็นนยามูลบทมูลบทก็คือคำคำอธิบายในนย่านั่นเองนะมูลบทเนี่ยอยู่อยู่ข้างในนย่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็าศาสนาประธานคําว่าหาระแปลว่า มีความหมายว่าวิธีเครื่องกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ทั้งหลายอันนี้ความหมายของหาระหาระทั้งหมดมีส6บหกหาระหาระที่หนึ่งคือเทศนาหาระเนี่ยนะเทศนาหาระก็คือวิธีอธิบายพระพุทธพจน์โดยอัฐมีหอย่างเนี่ยนะเทศนาหาระคือวิธีอธิบายพระพุทธพจน์มีหอย่างด้วยกัน 6อย่างอันหนึ่งก็คือข้อแรกนะอัาธาข้าอ2อาทีนวะข้อ3นิสรณะข้อ4ผลข้อ5อุบายข้อ6อนัตโดยอัศธาแล้วอสาธา ท, ที่แปลว่าหน้าเพลิดเพลินคืออารมณ์ที่หน้าเพลิดเพลิอนอย่างหนึ่งความเข้าไปเพลิดเพลิอนอย่างหนึ่งถ้าแบ่งแบ่งเป็นกี่อย่าง แบ่งเป็น5้าอย่างใช่ไหมอ ส, สาทามีห้าอย่างหนึ่งหนึ่งสุขสองสมนัตสอนอิทธารมเนี่ยนะหมายถึงอารมณ์ที่น่าปรารถนาสตัณหาหาวิป ร, ราสอันนี้เป็นความหมายของคำว่าอา ส, สาทะที่ย่อๆก็คือสิ่งที่น่ายินดีหรือการเข้าไปยินดีส่วนอาทินวะอาทินวะเนี่ยหมายถึง แปลว่าโทษเนี่ยนะโทษโทษอันนั้นก็คือทุกขตาสามเนี่ยนะทุกขตาสามมีอะไรบ้างเนี่ยนะทุกขตาสามหนึ่งทุกขทุกนะอันนี้หมายถึงทุกจริงๆเลยนะเรียกว่าทุกขทุกสองวิปริลนามะทุกทุกเพราะไม่เที่ยงอันนะความสุขเนี่ยเป็นทุกเหมือนกันทุกเพราะความสุขเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงส่วนสังขารทุกสังขารทุกก็คืออุเบขาเวทนาและสังขตะธรรมที่เหลือเป็น สังขารทุก์ทั้งหมดเนี่ยนะสุขเวทนาเนี่ยนะเป็นวิปริณามาทุกนะเป็นทุกข์เราะแปรปรวนส่วนสังขารที่เหลือเป็นสังขารทุก์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงอาทีนวะเนี่ยอย่างย่อยๆก็คือทุกขตาสามพิสดารไปกว่านั้นได้ไหมได้ได้ยังไงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้การเข้าไปพิจารณาเห็นโทษทั้งหลายเหล่านั้นอะ ก็เรียกว่าอาทีนวะนั้นตามอัตกถานเนติปกรณ์นั้นอธิบายอาทีนวะคืออาทีนวานุปัสนานั่นเองนะไม่ใช่ว่ารอให้เสียใจก่อนนะแล้วเออนี้โทษไม่ใช่แต่หมายถึงผู้มีปัญญาเข า, เ ข, าเข้าไปพิจารณาว่าสิ่งนี้มันมีโทษจริงๆนะมันมีโทษคือเป็นทุกข์ทุ ก, ทกวิปริณามะทุกสังขารทุกนี่ในหนึ่งแล้วก็ทุกพระไม่เที่ยงเป็นต้นนะ แล้วก็ทุกอีกในหนึ่งก็คือทุกเพราะชาติทุกเนียนะชาติชราพญาทีมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมรัะอุปาญาตทุกถ้าทุกของมนุษย์เนี่ยนะที่เป็นอาทีนวะก็ตั้งแต่ยังลงสู่คันแล้วนีตั้งแต่ยังลงสู่ขันทุกเพราะการอยู่ในคันทุกเพราะการบริหารคันทุกเพราะคันวิบัติทุกเพราะการคลอดจากคันทีนี้พอคลอดออกมาแล้วก็ทุกเพราะอะไร ตัวเองทําให้ทุกบ้างคนอื่นทําให้ทุกบ้างแล้วก็มีทุกปกติของทุกคนที่เกิดมาจะต้องเหมือนกันหมด น, นะทุกจากการหิวการกระหายการปวดการเมือ่อยการอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะทุกเหล่านี้ก็ต้องบริหารกันทุกคนทีนี้มันก็มีทุกขพิเศษขึ้นมาอีกอันนะี้แล้วแต่ใครจะได้คนละเท่าไหร่คือโรคภัยทั้งหลายที่ที่ติดตามมาเนี่ยนะนนะมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีจมูกก็โรคจมูกไล่ไปเถอะ ว่าส่วนไหนมั่งไม่มีโรคเหนไะก็มีคนถามนายแพทย์ท่านหนึ่งว่าเออเนี่ยแล้วขนตามีโรคไหมนี่เขาหวังงั้นก็ <c oughs> บอกว่าไม่ต้องกล่าวถึงอย่างอื่นน่ะโดยที่สุดแม้ขนตาอย่างมีโรคเหนไะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวอย่างอื่นว่าจะไม่มีโรคดังนั้ในการพิจารณาเนี่ยนะจะต้องหมั่นพิจารณาหมั่นไข่ครวญโทษทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่าการรู้อัสร์ทะซึ่งหมายถึงรู้สมุทยสั์ การรู้อาทีนวะเนี่ยนะหมายถึงอาทีนวานุปัสนามันหมายถึงปัญญาที่เข้าไปเห็นทุกขสัตว่าทุกขสัตว์เป็นสิ่งที่มีภัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะกูปาทานนขันทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกอย่างที่กล่าวไปถ้าไม่มีอาศาัศธาอยู่สัตว์ก็ไม่ติดเนี่ยนะก็ไม่มีใครติดไม่มีใครข้องหรอกแต่ถ้าไม่ทีไม่มีอาทีนวะอยู่ในนั้นก็จะไม่มีผู้ต้องการออก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีอนะารพินวะอยู่จึงมีบุคคลที่ต้องการออกจากอุปาทานขันอันั้นอันนั้นแหละเป็นนิสรณะใช่ไหมการออกเนี่ยนิสรณะทีนี้การออกเนี่ยออกโดยอารมณ์กับออกโดยข้อปฏิบัติเนี่ยนะออกโดยอารมณ์เนี่ยหมายถึงอสังขตะธาตุเนี่ยนะต้องมีอสังขตะธาตุจึงจะออกได้ถ้าไม่มีอสังขตะธาตุอยู่นะการออกจากสังขตธรรมมีไม่ได้ ยังไงก็มีไม่ได้ในนิพพานสูตรคุตกานิกายอุทานเนี่ยพระองค์แสดงไว้เลยว่าถ้าไม่มีอสังขตาธาตุสังขตาธาตุจะไม่มีการออกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่ระลึกชาติได้เนี่ยจึงบอกแหมเหมือนกับเที่ยงเหมือนเที่ยงจริงๆเพราะจะระลึกได้กี่ล้านกลับก็ช่างเถอะระลึกได้กี่อาสงไข่ก็ยังเวียนไหวาตายเกิดอยู่นั่นเหมือนเที่ยงเลย ที่เขาคิดว่าเหมือนเที่ยงเพราะเขาไม่เห็นอสังขตะที่ไม่เห็นอสังขตะเพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติที่จะทำให้แจ้งอสังขตะเพราะฉะนั้นนิสระณะอีกในหนึ่งคือหมายถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้แจ้งอสังขตะอันนั้นหมายถึงอริยามรรคนะหมายถึงอริยามรรคทีนี้อริยามรรคนี้ก็ต้องเกิดจากอุปนิสัยนะเกิดจากอุปนิสัยใช่ไหใกล้ๆอริยมรรคเลยมีอะไรเป็นอุปนิสัยอ น, นันตรูปนิสัย อนันตรูปนิสัยของโสดาปติมัติก็โคตรภูอันันตรูปนิสยะปัจจัยของโคตรภูก็คือสังขารุปเปฆายานหรืออนุโลมยานนั่นเองแล้วอุปนิสัยของอนุโลมยานทั้งหลายก็ยานชั้นล่างๆเป็นอุปนิสัยอย่างนี้เรื่อยไปไล่ไปจนถึงการพิจารณานามรูปหรือการพิจารณาขันอายตนะธาตุ การพิ่จรณาขันอายตนะธาตุเหล่านั้นก็มีอุปนิสัยนะอุปนิสัยคืออะไรก็จิตตวิสุทธินะจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์ของจิตถามว่าจิตบริสุทธินี้เอาแค่ไหนบอกว่านิวรณไม่กลุ่มรุมคนมีนิวรณกลุ่มรุมนะนั่งง่วงไปพิจารณาอริยสัจเห็นไหหรือว่าง่วงแล้วก็กาหนดเออนี่มันง่วงกาหนดว่าได้เวลาพักผ่อนแล้ว นนไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตต้องบริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งหลายเขาจึงมาพิจรารณาทีนี้ผู้ที่จะมีจิตบริสุทธิ์จากนิวรณ์เนี่ยนะทาไงนิวรณ์จึงจะไม่กลุ้มรุมอันนั้นต้องมีสุดจริตหรือมีศีลคนมีศีลนิวรณ์ไม่กลุ้มรุมอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องเดือดร้อนใจใช่ไหมถ้าเรารักษาศีลดีๆนะวันนี้สมมติเอาว่าอย่างตื่นเช้ามาเราไม่ไปตําหนิใครไม่ไปโตะอ่าโต เป็นเหตุให้เราเดือดร้อนใจนะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็ไม่ไม่สร้างเหตุให้ตัวเองต้องเดือดร้อนใจเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ต้องลําบากใจ mm hmm. เมื่อไม่ลําบากใจเนี่ยถ้าเจริญปฏิบัติได้นานอย่างนี้เนี่ยนะนิวรณ์ก็ไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะเพราะศีลดีเนี่ยนะทำให้นิวรณนไม่กลุ่มรุมแล้วศีลจะดีได้เพราะอะไรว่ายอ่ยอๆเลยนะศีนเหตุใกล้ของศีลคือหิริโอตะะเหตุไกลคือสุตะเนี่ยนะเหตุไกลก็คือสุตะ ทีนี้ที่เราจะมีสุตะได้อะเพราะอะไรในยุคนี้นะว่าให้ตรงๆ ต, ตรงประเด็นไปเลยก็คือสารณะเราดีเนี่ยนะสารณะคมเราดีนั่นเองเนี่ยนะการครบศักด์บุรุษก็คือการถึงไตราสารณะคมธรรมะเรานี้จะเป็นอุปนิสัยแก่กันและกันเมื่อเรามีไตราสารณะคมดีเนี่ยนะสุตตะเราจึงจะดีใน อัตถกถาหลายๆแห่งบอกว่าผู้ที seja, ่ไม่ได้ฟังธรรมที่บริบูรณ์ด <bush> <orb ach. S 2> ้วยอัฏฐะและพยัญชนะเนี <gy ux. S 2> ่ยจะเสื่อมจากประโยชน์ใหญ่เนี่ยนะเสื่อมจากประโยชน์อย่างใหญ่ที่ไม่ได้ฟังธรรมะที่บริบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่ได้คบภาษาริบุตรเราไม่อ่านเนติปกรณ์เพราะเราไม่คบพระมหากัจจายนะใช่ไหมเราไม่อ่านปฏิสัมพิธามรักเพราะเราไม่คบภาษาริบุตรใช่ไหมเราไม่ค่อยเชื่อภาษาริบุตรนะ เราไม่ค่อยอ่านวินัยเพราะเราไม่ค่อยศรัทธาพระอุบาลีเนี่ยนะเราไม่อ่านพระไตรปิฎกทั่วๆไปโดยมากเพราะไม่ค่อยเห็นคุณของพระอ น, นุนเะนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่เห็นคุณของอพระตนตรยัยเนี่ยนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมะเหล่านี้ก็เลยทำให้เราเหินห่างงนั้นการคบพระพุทธเจ้าเราอ่อนนั่นแหละถ้าจะว่าไปทั้งหมดนะเนเรารู้จักพระพุทธเจ้าน้อยไปเนี่ยนะ น้อยหรือไม่น้อยนี่เขาบอกว่าถ้าอริยะสาวกเนี่ยระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะเขาระงัภนิวรณ์ได้ของเราลองนะเงาเง า, ง า, งาลองนึกดูอารหังโสมนัสเลยใช่ไหมถ้าโสมนัสก็อนุโมทนาด้วยโอ้โหเป็นผู้มีทรัพย์คือศรัทธา ม, มากนีนะอารหังสัมมาสัมพุทโธ ท, ทั้งสวดทั้งแปลไปแล้วสามรอบก็ยังอุเบกขาอยู่นั่นแหละก็ะแสดงว่ า, ไ ม, รรมานะไม่ธรรมดานี่นะทำไม่ธรรมดานี้แปลว่าสะสมมายังไม่มากานะ เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจคุณของพระองค์เท่าไหร่นะเราจะเราจะรู้ว่าไม่มีผู้อื่นที่จะหวังดีกับเรามากกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วบุรุษผู้รู้ทางนี่เป็นเชื่อของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านอาจารย์สันติกล่าวตอนแรกใช่ไหมว่ามัสมีสองนะมิฉามัสมกับสัมมามัสมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในทางฉลาดในทางผิดฉลาดในทางถูกแล้ว ผู้รู้ทางเนี่ยมีใจกรุณามีใจกรุณาก็บอกว่าเธอจงละทางที่ผิดแล้วปฏิบัติอยู่ในทางที่ชอบขอเธอทั้งหลายจงเดินทางนี้เถิดเมื่อเธอเดินทางนี้แล้วจับทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะพระองค์ก็หวังดีเตือ น, นคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยย่อๆก็คือการบอกทางนั่นเองอ่าก็คือมัทพระวินัยปิฎกเน้นที่ไหนสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะ พระสุตตันตปิฎกก็เน้นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิอภิธรรมปิฎกก็เน้นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือการชี้มักวัตถางนี้นะเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคือการบัญญัติทางอันนี้เขาเรียกว่ า, าศาสน า, สาศาสนาอันนี้หมายถึงาศาสนารมมัจจันเนี่ยนะาศาสนารมมัจจันเหล่านี้ก็จะชี้แจงแต่งตั้งประกาศเปิดเผยทําให้ง่าย วันนี้นะเป็นทางเดียวที่จะทําให้ให้พ้นจากวัตรทุกข์ได้ผู้ที่สอนทางนี้ได้เนี่ยนะก็ก็มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระมหากจัจจยนะเรียบเรียงคำพินเนติปกรณ์เนี่ยเรียบเรียงตามพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ว่าท่านอยากนึกจะแต่งอะไรขึ้นมาแล้วท่านก็แต่งไม่ใช่เนี่ยนะท่านในฐานะเป็นสาวกนับถือพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ก็รู้จริงเป็นผู้เห็นก็เห็นจริงเป็นพระธรรมที่สอน พระธรรมมิสอนก็พระธรรมอิวนะอิสวนนะสวก็ผู้ผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้เป็นใหญ่ในธรมนธรมผูนะ้เป็นเจ้าของธรรมผู้เป็นธรรมมัสามีเ่ยนะเป็นเจ้าของธรรมอย่างแท้จริงเป็นพระธรรมราชาทีนี้พระสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ประสงค์ยังไงท่านก็ช่วยชี้แนะให้เพราะคมภี์เนติปกรณ์คือคมภีร์ที่อธิบายอัถฐและพยัญชนะของพระพุทธพจน์ คือช่วยทําให้เข้าใจอ่ะนะคือจริงๆพระพุทธพจน์เนี่ยถ้าพระมหากจรยนะท่านฟังเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมท่านฟังแล้วท่านเข้าใจเลยอ่ะนะแต่แต่ท่านสงสารใครอ่ะนะสงสารพวกเรานะั่นแหละว่าง่ายๆเลยก็สงสารพวกเราอ่ะนะท่านก็เลยมาอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงไม่ละเอียดแต่เราฟังไม่เข้าใจเองเนี่ยนะ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ดีแต่เราบุญน้อยเนี่ยนะต้องว่าอย่างนี้นะถ้าดอกไม้อยู่สูงเนี่ยเราจะว่าดอกไม้อยู่สูงหรือมือเราสั้น<า>นะโดยมากไม่ใช่ดอกไม้สูงเกินไปใช่ไหมนะพะมา่ากระจายนะเขาบอกเอากี้นะแล้วท่นจะต่อพระองค์ให้นะนะเอาบันไดให้นะจะได้เด็ดได้เนี่นะก็คือช่วยนะนะแต่บอกบอกพระพุทธเจ้าเทศยากเกินไปพูดเข้าใจยากอันนั้นไม่ใช่สัมมาวาจานะขอขอมาพระรัตนะตรายเธอ วังเข้าใจยากนั่นเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่สัมมาวาจาเนี่ยนะควรละมิช่าวาจาอันนั้นเสียก็เท่ากับบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สุขโตใช่ไหมทุกขโตตรัสไม่ดีอ่ะเนี่ยนะเพราะนั้นก็แบบพูดแล้วเข้าใจยากเป็นต้นเพราะฉะนั้นบอกว่าควรบอกพระพุทธเจ้าตรัสในสิ่งที่คำภีรภาพเน่ยนะก็คือควรจะใช้คําให้มันยกย่องถาม่าถ้าไม่ยกย่องอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะกิดตะปูตรึงใจเราเองเนี่ยนะ ตาปูจะตรึงใจเราเองเพราะฉะนั้นการตั้งอัตตะสัมมาปณิที่นี่สําคัญมากย้อนกลับมานะว่าการที่จะรู้อัาธะซึ่งหมายถึงสมุทัยสัตว์ ย, ย, ย่อๆอาทีนวะเน้นไปที่ทุกขสัตย์แต่หมายถึงปัญญาที่ไปเห็นทุกขสัตย์นิสรณะเป็นชื่อของมรรคสัต์และนิโรสัตว์มรรคสัต์กับนิโรสัตว์เนี่ยนะนะซึ่งการที่จะแทงตลอดมรรคสัตวนิโรสัตว วิธีการทั้งหมดนั้นเป็นการเทศนาของพระพุทธเจ้าเทศนาเพื่อให้เห็นสัจจะเนี่ยนะทีนี้ถามว่าถ้ารู้อริยศาสตร์แล้วมีผลยังไงผลก็อย่างน้อยที่สุดก็สามัญญผลใช่ไหมสามัญญผลพรหมัญญผลเพราะฉะนั้นโสดาปฏิผลเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะอันนี้เป็นผลของเทศนาพราะพระองค์แสดงธรรมและประสงค์ที่ไหนก็ประสงค์จบที่ การรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทีนี้ถ้าพระองค์แสดงอริยสัจแล้วจุดจบคือผลคือโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วเราเนี่ยจะได้ผลเหล่านั้นได้ยังไงจะเข้าถึงผลอันนั้นได้ยังไงอันนั้นแหละคืออุบายเนี่ยนะคืออุบายคืออุบายที่จะต้องทำให้เข้าถึงผลแห่งเทศนาอันนั้นให้ได้อุบายอันนั้นเนี่ยเราต้องทำเองแต่พระองค์ชี้แนะวิธีให้ เส่แล้วก็ถ้าไม่ทําเลยพระองค์จะทำไงบางทีก็ถ้าเจอสั่งก็ต้องสั่งนะนถ้าเช่นอย่างพระวะกระิเนเจอคํว่าสั่งบางทีเจอไล่ก็ต้องไล่อย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าสักทีอย่างกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสํานวนว่าออกแรงเพืนหน่อยบางเงื่อะนั่นการบัญญัติพระวินัยเป็นต้นก็คือรูปแบบของคําสั่งเพราะว่าชี้แนะยังไงก็ไม่ยอมทำเนี่ยนะ จริงๆแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าโดยย่อๆเนี่ยคืออะไรว่าแบบย่อๆเลยเนียคือเครียกว่าอนุสาสนีปาติหารเนี่ยคือไงเขาบอกว่าเธอเนี่ยจงละ อ, อะไรนะจงอย่าคิดอย่างนี้จงคิดอย่างนี้อะไรแบบย่อนะอย่าคิดอย่างนั้นมาคิดอย่างนี้จงละสิ่งนี้เนี่ยนะจงเข้าถึงสิ่งนี้อันนี้ถ้าแบบย่อๆเลยเนะี่ยเขาบอกว่าจงตรึกอย่างนี้ อย่าตรึกอย่างนั้นจงตรึกอย่างนี้หมายถึงตรึกกุศลวิตกนะอย่าตรึกอกุศลวิตกบอกจงละสิ่งนี้คือละนิวรให้หมดะจงเข้าถึงสิ่งนี้ก็คือเข้าถึงโลกุตระธรธรมอะ่ะคือหลักการย่อๆมีไม่มากแต่ว่ามันมันไม่ได้อย่างนั้นสักทีหนึ่งะนะสำหรับผู้ที่อินทรีย์น้อยอินซีน้อยก็สักดิ์ทินซีเนี่ยน้อยนะแต่ว่าชีวิตอินรีย์เนี่ยนาะนแต่ว่า สัตทินรีย์เป็นต้นเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องชี้แจงอธิบายอย่างมากเลยนะอันนี้คือบุคคลทั้งหลายจะเป็นกลุ่มนั้นดันั้นพระองค์ก็เลยต้องสอนมากที่สอนมากเนี่ยก็คืออนุวัตคนฉลาดน้อยถ้าสอนน้อยๆคือพูดน้อยๆเพื่อประโยชน์แก่คนฉลาดฉลาดก็มีอยู่คำหนึ่งใ่ไพระพายะไม่ทําให้พระองค์ต้องลําบากเลยใช่ไหมแต่ถ้านะสอนน้อยก็บรรลุได้ก็มีอีกตั้งหลายท่านพระปุณณะเป็นต้นเนี่ย ท่านเหล่านั้นจะไม่ทําให้พระองค์ลําบากแต่ผู้ที่อินทรีย์น้อยศรัทธาน้อยวิริยะน้อยสติน้อยสมาธิน้อยปัญญาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้ต้องทําให้พระองค์ลําบากต้องเทศนาอย่างมากอย่า น, นีต้องกล่าวถึงอั า, า, อาธาธาทีนวานิสรณะผลอุบายอานัตเนี่ยมากเหลือเกินเพื่อให้คนมีอินทรีย์น้อยเพราะเขาฟังแล้วศรัทธาอินทรีย์เขาจะดียิ่งขึ้นเขาจะเห็นคุณพระรัตนตรัยมากขึ้นเมื่อเขาฟังแล้ววิริยอินทรีย์เขาจะมากขึ้น อกุศลเขาลดลงอ่ะนะผู้มีความเพียรคืออกุศลดลงกุศลเจริญเรียกว่าผู้มีความเพียรสติสติเขาก็ระลึกดีขึ้นระลึกว่ายังไงระลึกว่านี้มีโทษนี้ไม่มีโทษเป็นต้นระลึกยอมรับวันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีอัสาธาที่น่าปรารถนาอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็ ลราเลิกไปแล้วมันละวิปลาดได้อะนั่นแหละเรียกว่าผู้มีสตินี่นะคือถ้ามีสติแต่ว่าวิปลาดยังเท่าเดิมเนี่ยนะขณะนั้นไม่ใช่สตินะเจริญกายานุปัสสนาแต่ว่าสุภาพวิปลาดไม่ลดลงเลยอันนี้ก็ไม่ใช่บอกว่าเจริญเวทนานุปัสสนาแต่ว่าสุขาวิปลาดไม่ลดลงก็ไม่ใช่บอกเจริญจิตตานุปัสนามากแต่นิจาวิปลาดไม่ลดลงอันนี้ก็ผิดอีกถ้าบอกเจริญธรรมานุปัสนามาก แต่ถ้าอัตตวิปลาสไม่ลดลงเลยก็ไม่ใช่เพราะสติปฐานที่ละที่เจริญถูกต้องละวิปลาสสีแล้วถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองอีกอย่างหนึ่งคือความสงบนะศีลเนี่ยสงบกายวาจาใช่ไหมสมาธิสงบอะไรสงบเจตสิกงสงบเจตสิกไม่ให้มันวุ่นวายมากนะนนแล้วปัญญาล่ะ ปัญญาก็เป็นความรอบรู้เนี่ยนะไม่ใช่สงบแบบสงบนิ่งเป็นหลับเลยนะไม่ใช่แต่สงบเพื่อความรอบรู้ถามว่ารู้อะไรก็ก็เนี่ยรู้อัศาธารู้อาทินาวะรู้นิสระณะนั่นแหละก็คือรู้อริยสัตนั่นเองทีนี้การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวถึงอัศาธาอารทีนวะนิสรณะเนี่ยมากโดยปริยายต่างๆเนี่ยนะเช่น หลายๆแห่งเราเคยได้ยินนะเหตุเกิดความดับอัศาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าเนี่ยนะอันนี้ในหนึ่งนะแต่ในในเรื่องของขันห้าอีกก็มาจำแนกอย่างละเอียด น, นะเป็นเล่มเลยเรียกว่าขันทวรวัชเนี่ยนะขันทวรวัยังมีถ้าเป็นคัมเพียพี่ทมก็แบ่งแบ่งเรื่องขันเนี่ยขันทวิพังอีกอุใหญ่มากเนี่ยนะเล่มโตเลย แต่ว่าโดยย่อๆก็คือประกาศให้รู้อาสาท่อาทีนวะนิสรณะของขันห้าถามวอะไรคืออาสาทของขันห้าสุขโสมนัตอันใดอาศัยขันห้าอันนั้นเรียกอาสาทความที่ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันนั้นเป็นอาทีนวะของขันห้าแล้วการตัดฉั้นราคะในขันห้าเป็นนิสรณะอุบายเป็นเครื่องสลัดออกเนี่ยนะตัวที่ตัดจริงๆคือมัก มักต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะตัดได้จริงนนะนะก็เลยแต่ใช้สับง่ายๆว่าละฉันทราคะในขันห้าคื อ, อพระพุทธเจ้าเวลาแสดงเนี่ยจะแสดงในสิ่งที่พอเห็นได้ก่อนเช่นฉันทราคะนี่เราเห็นใช่ัหยเรารู้จักตันหาดีมันบอกว่าถ้าเลอเธอละตันหาได้นั่นแหละคือทางออกจากวตัตนะเนะี่ยนะก็ยกตรงนี้มาจริงๆแต่จะละตันหาได้จริงๆต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์นู่นแหละเนี่ยนะ แต่ก็ไอข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตันหานั่นแหละเรียกว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายมันนี่หนึ่งะขันห้าก็พูดเป็นตัวอย่างในสิ่งที่พระองค์แสดงอสศาธาอาทีนวะนิสรณะนะต่อไปอีกอายตนะเนี่ยนะที่คุ้นเคยมากคือภาษายตนะ6กเนี่ยนะนะเจอบ่อยๆเช่นใครอ่านพรมชาลสูตรเนี่ยนะนะสีละขันทวัก ทีขณิกายสูตรที่หนึ่งเลยรู้เหตุเกิดความดับอัตฐาธาอาทีนวะนิสระณะของภาษายตนาหเนี่ยนะภาษายตนาหคือภาษายตนา6แะนะครับก็เรียกว่าบออเกิดของภาษะหรือแดนต่อแห่งภาษะมีหอย่างก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เหตุเกิดรู้ความดับอันนะี รู้อาสาธาอาทินวะนิสรณะเหตุเกิดของผัสสะยตนะเหตุเกิดของตามีอะไรบ้างอาวิชชาตันหากรรมอาหารนิพพั ต, ติลักษณะเป็นเหตุเกิดของตาเป็นต้นนะนะส่วนความดับก็ถ้าอาวิชชาดับตันหัดับกรรมดับอุปาทานดับหรือว่าวิปริณามลักษณะอาหารดับด้วยนะอันนี้เป็นความดับของตาหรือจกักขุ จากภาษายตนะอันนี้ส่วนสุคสมมนัดอันใดาอาศัยจากสุอันนั้นเป็นอาสาทะจากสุไม่เที่ยงเป็นต้นเป็นอาทีนวะการตัดฉันนราคาในจากสุได้อันนั้นเป็นนิสรณนะอันนี้ก็มีการแสดงแบบยกภาษายตนะหขึ้นมาส่วนใหญ่จะเห็นว่าท่านจะแสดงเรื่องของอาสาทะอาทีนวะแล้วก็นิสรณนะ ครานี้เวลาแปลแปลนิสตระนาว่าอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแต่ว่าอุบายที่ที่ที่เรากําลังจะเรียนนะครับใช่อันเดียวกันด้วยหรือเปล่าครับรวมอยู่ในอุบายเครื่องสลัดออกด้วยหรือเปล่าครับคืออุบายตรงนี้นะอุบายที่กําลังพูดในในหกไม่ใช่กุหลาครับอุบายศัพท์นั้นอุบายเครื่องสลัดออกหมายถึงอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ตรงนั้นนะอาจาะ คือเขานิยมแปลออกกันนะถ้าไม่แปลก็บางทีก็จะเราก็ไม่ค่อยสัมตีความในคำเช่น น, ะนิสรณะก็คงศัพท์เอาไว้แต่ถ้าคงมากไปก็สมตต้องไปเรียนบาลีกันหมดเลยนะมันก็จะมีปัญหาท่านก็พอแปลให้เป็นเขาอนะ ะ, ะนะอุบายตัวนั้นหมายถึงอริยมรรคเียนะเออบางคนอาจจะสงสัยนะครับพรานใช้สัพ์ว่านิพพติลักษณะกับวิปริณามนักลักษณะเนะะี่ยคลักษณะที่ เกิดกดับย<ก>ังไงยกตัวอย่างว่า<ะ>นิพัติคืออะไรรูปจะเกิดก็เกิดเพราะสมุธฐานเกิดใช่ไหมถ้าได้ปัจจัยคือสมุธฐานสี่กรรมจิตอุตุอาหารรูปนั้นนั้นก็เกิดอันนี้นิพัติตัวรูปนะเออตัวตัวนิพัติเนี่ยนะคือตัวรูปเองอวิชชาตันหกรรมอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยปอจอตัวนิพัติคือปอ ย, ออยนยนะถ้าพูดประทาปัะฐานเขาว่างัน ปอจอคืออะไรยม ป, ปัจจัยนะปอยอปั จ, จ, ย, ป จ, จยุบันนะ่ยนะก็คือเหตุกับผลเพราะฉะนั้นเพราะาวิชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดอันนี้พูดถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดส่วนนิพพติคือตัวมันเองอ่ะตัวตัวรูปนั้นๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นอ น, นิปพิปริณมนะก็คือเมื่อหมดสมุทฐานนั้นๆอ่ะตัวนั้นก็ต้องสลายไปก็คือความแปรปลีนความเปลี่ยนแปลงของของรูปสมุทฐานนั้นๆั้นะยะยกตัวอย่างคร่าวๆว่า นิพพติการเกิดขึ้นของอาหารที่อิ่มๆนี่เป็นยังไงนนะก็ทานบ่อยๆใช่ไหมท้องก็ตึงขึ้นอันนี้เป็นนิพพติใช่ไหมพออีกสักสามสี่ชั่วโมงหลังนี่อะไรอะไรปรากฏอีกวิปริณา ม, มาลักษณะนะชักหิวอีกแล้วนะหมดเรี่ยวหมดแรงแนละ้วคานวน้่าหมดแรงเข้าต้มนะถ้าเช้าทานข้าวต้มมาสายสายหน่อก็บอกหมดแรงข้าวต้มตอนช่วงอิ่มๆ ม, ม, มาเนี่ยนั่นิพพติพอที่มันเปลี่ยนไปอันนี้เป็น วิปริณามะกขาบอกโอ้โหพิจารณาหยาบเท่านี้หรือแปลว่าการเกิดขึ้นครับนิพพติแปลว่าการเกิดขึ้นวิปริณธมะคือแปลไปแต่ทีนี้คนที่จะพิจารณาการเกิดขึ้นเขารู้ปัจจัยเป็นอย่างดีเพราะทุกอย่างเกิดจากปัจจัยเนี่ยคือเห็นทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็เห็นทังความเปลี่ยนแปลงไปเขาจะมองทั้งโดยปัจจัยและโดย ปัจโยบันที่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะนิภติก็มองในแง่ความเกิดวิปริณามะก็มองในลักษณะความเสื่อมไปแต่ไม่ใช่สมุทฐานเดียวนะอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องอาหารสมุทฐานแล้วจิตตะสมุทฐานอีกละอุตโตสมุทฐานอีกกรร ม, มะสมุทฐานอีกแต่ละทวารด้วยนะกรร ม, มะสมุทฐานก็ว่าไปที่แต่ละทวารแต่ละทวารเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่ารู้ความเกิดกับความเสื่อมถ้ารู้อย่างแท้จริงนะ่ะนะมีรายละเอียดคนมาก พอรู้นิพพติลักษณะเนี่ยละอะไรรู้ความเกิดนะละอุเฉดถ้ารู้ความเสื่อมละสัสตตะแต่ความเกิดและความเสื่อมเหล่านั้นเป็นไปตามตัดใ จ, จเนี่ยนะก็ละอากิริยะทิฏฐิเป็นต้นแั้นถ้าความเข้าใจเหล่านี้จะต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องละกิเลสเนี่ยนะอนะันนั้นเมื่อกี้พูดถึงก็แรกก่อนนะเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวาวะนิสันะของอุปาทานขันห้าสอง ภาษายตนาหถ้าแบบย่ออีกในหนึ่งก็คือธาตุสี่เหตุเกิดความดับอัตสาธาอาทีนวะนิสรณะของธาตุสี่คำว่าธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุดินมีเท่าไหร่ยี่สิบธาตุดินมีกี่ชนิดธาตุดินมีสี่นะมีสี่ประเภทลักขณะปฐวีสะสัมภาระปฐวีสมมติปฐวีอารัมณะปฐวีแต่ในที่นี้เน้นที่ ล, สสลักษณะกับสัมภาระเพราะลักษณะโดยที่ไม่มี ส, สัมภาระรองรับได้ไหมไม่ได้ตอนัส้นสัมภาระก็แบ่งออกเป็นสองภายในกับภายนอกนะนะีแล้วแต่ว่าที่เราติดมากภายในหรือภายนอกภายในอ่ะนะเนี่ยก็เน้นเหตุเกิดความดับอสส า, าธาอาทีนวะนิสรณะของมหาพูดภายในในธาตุสังยุทธ์เนี่ยยกเอามาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะพระองค์ตอนเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์คิดว่า อะไรเนะเป็นอัาธาอาทีนวะนิสรณะของปทวีธาตุของอาโปธาตุของเตโชธาตุของวาโยธาตุเนี่ยนะแล้วพงค์ก็ใคร่ครวญบอกว่าสุขโสมนัตอันใดาอาศัยปทวีอาโปเตโช ว, วาโย و, อันนั้นเป็นอาาาัาทะเป็นต้นนะนะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะว่าพราะองค์คิดเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้ามาก็มาสอนเรื่องนี้อีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอส า, าธาอาทีนวะเ น, นี่ยพิจารณามหาพูดด้วยนะนะพิ่จรนา ม, มหาพูด ถามามหาพูดเป็นการแสดงแบบย่อมากพิสดารกว่านั้นก็คือภาษายตนาหกกว้างขวางไปกว่านั้นคืออุปาทานขันห้าจริงๆคือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าความกวาม้างความแคบแตกต่างกันเนี่ยนะอุปาทานขันห้านี่เป็นงานแสดงแบบสิ้นเชิงไหมภาษายตนะหกก็ย่อลงมามหาพูดก็ย่อลงมาอีกเพราะฉะฉนั้นธรรมะเหล่านี้เนี่ยภารหันบางรูป แทงตลอดท่าสีโดยเอกเทศแล้วเป็นพท่าหันเอกเทศนี่แปลปว่าไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายแต่ว่าภายเรื่องในตัวเองเนี่ยรู้หมดอะแต่ว่าเรื่องคนอื่นอาจจะรู้ไม่มากแต่รู้ในเรื่องของตัวเองเนี่ยมากจนสามารถตัดฉันทราคะได้นะบางท่านก็รู้ภาษาญาตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจบางท่านก็กว้างขวางรู้ขันห้าอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งอย่างใน มหาทุกขกขันธสูตรมัชฌิมนิกายเนี่ยนกล่าวถึงเหตุอา ส, สาทาอาทีนวะนิสระณะของกามทั้งหลายอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะทั้งหลายเนี่ยนเอารูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะทั้งหลายมาเป็นวัตถุ ก, กามสิ่งเหล่านี้มีอะไรเป็นอา ส, สาธะก็สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดสุกโสมนัพนั่นแหละเนี่ยนะบริโภคเบญจา ก, กา ม, มคุณทั้งหลายเนี่ย น, น ใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วเป็นยังไงมีบ้านอยู่ดีๆเป็นยังไงกินอิ่มนอนหลับเป็นยังไงเนี่ยนะก็นํามาซึ่งความพอใจอนะนะอันนั้นเป็นอาสาท่ในกลางมาคุณทีนี้อาทีนวะเป็นยังไงอ่ะโอ้โหแสวงหากันทุกวันเนี่ยนะก็เดือดร้อนเร่าร้อนทะเลาะแก่งแย่งกันก็เพราะเหตุแห่งกลามทั้งนั้นประกอบอาชีพเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยอาบเหงือ่อตากน้ำทั้งหลายก็เพราะเพราะเหตุแห่งกลามแล้วก็การละออกจากการก็คือการตัดฉันนราคะในกลาม นั้นการมคุณห้าพระองค์ก็เอามากล่าวโดยอาาัาธาอาทีนวะและนิสรณะนะ